รบใใใใับตาฝ้ายมันตุม้ม ต, ตาเตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟังปนิยาปารามปรากันจาอัสนจริงช่อดอกไม้ใช่ไหมจ๊ะตัดขั้วมเลยเนาะอ๋อจ้ะอ๋อไหลมาตามสายเนาะแล้วดีความไม่ธรรมดางธรมหาเสนาบดีนี้เองเนี่ยแต่ครูไม่เล็กนี่เนี่ อตอนเด็กๆท่นี้นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะหนังสัตติกนี่ท่านเก่งมากนะ <c oughs> แต่ยิงเป้านิ่งไม่ค่อยได้ <c oughs> ต้องเคลื่อนไหวเห็นเนาะถ้ากระากเอาอยู่นิ่งๆยิงเฉียดไปเฉียดมาถ้ากระโดดปั๊บเอาเฉพาะขน นี่นะโหสี่เลยด้วยข้ยามไม่ธรรมดาธรรมหาเสนาบดีนี่เองจึงดำไม้พระราชรถเกิดความคิดขึ้นมาว่าในอนาคตถ้าได้ท่านมหาเสนาบดีมาเริ่มงานด้วยธรรมหาเสนาบดีน่าจะสามารถทํางานเร่วงกับพระองค์ได้เป็นอย่างดีและท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ที่เพียบพร้อมในความสามารถ และความเคารพอ่อนน้อมแบบหาตัวจับยากนโี่เนาะในเวลาต่อมาเมื่อท่านมหาเสนาบดีจะมีโอากาสพบกับพระราชโอรสอีกครั้งตมมหาเสนาบดีจึงได้ขอโอกาสพระราชโอรสในการเอ่ยถามถึงข้อสงสัยที่ตัวท่านอัดอั้นตันใจมานานนี่เนาะ นั่นก็นคือว่ายทำไมในยานที่พระราชโอรสทรงทอดไปในการแสดงวิชาต่อสู้หรือยุดธวิธีทางการาหารพรอมกับทรงรู้สึกเชยเฉยเฉยเฉ ย, ยนี่นะไม่แสดงออกถึง ก, การยินดียินอะไรใดๆในการแสดงต่างๆพระหนึ่งกระากระบวพระองค์ทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยหยุดตลอดเวลา เสกทำให้เลาทหารใหม่ไม่กล้าเข้าไปหาเพราะกลัวจะเป็นการขัดพระราชาลึศไทยที่น้อง <laughs> แต่พอพระองค์ได้เสด็จระทับอยู่ท่ามกลางเด็กๆพรอ้รอม ก, ก, ก, อกับทรงรู้สึกเบิกบานใจมีความสุขมีชีวิตชีวาดูเป็นธรรมชาติและไปถือพระองค์เลยแม้แต่นี้เดียว ซึ่งพระจริยวัตรเช่นนี้เป็นพระจริยวัตรที่งดงาม น, น่าเขา้าใจยิ่งนักและที่สําคัญก็คือพระองค์ทรงมีความรักควา ม, มเมตตาต่อชาวบา้านและพวกเด็กๆเป็นอย่างมากครัพระองค์ทรงเห็นพวกเด็กๆกำลังมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันพระองค์ก็ไม่ทรงนิ่งดูได้ครียปัสสาวะก็ไปช่วยไ ก, กล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้พวกเด็กๆทั้งสองฝ่ายตีกันหรือทะเลาะกัน แถมยังสามารถสอนคุณธรรมเรื่องการแบ่งปันในกับพวกเด็กๆที่ดูเหมือนจะดื้อดา้านไปฟังเสียงใครเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์สงสอนจนเด็กๆเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆอีกด้วยส่งความสงสัยเหล่านี้แม้ปัญญาระดับหัวกาทิท่านเทพอย่างท่านยังไม่อาจจะค้นหาคำตอบนี้ได้เมาแตกแหลกลอ เมื่อพระราชาอรถสถทรงได้ฟังข้อสงสัยที่ท่านมหาเสนาบดีติดค้างอยู่ภายในใจเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงพระสวนแต่พองอ่าไหนไหนไหนไหยิ้มแต่พองงามสิไหนไหนอืมสุดยอด <c oughs> นี่อ่าแยามยิ้มแบบนิดนิดแล้วพระองค์ก็ทรงเฉลยปริศนาทั้งหมดให้ท่านมหาเสนาบดี ฟังในทํานองที่ว่าแต่ตอนที่พระองค์จะต้องเสด็จตามพระราชบิดาไปที่โรงเรียนฝึกนายทหารหรือโรงเรียนเตรียมทหารนั้นพระองค์เองก็ทรงเข้าใจเรื่องวิชาการต่อสู้หรือยุทธวิธีทางการทหารและเรื่องการปกครองเราเป็นอย่างดีแล้วแต่ที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกนิ่งเฉยๆนี่นะนิ่งเฉยแตน่านานายทหารทุกคนนั้นก็เป็นเพราะ พระองไม่ปลดและไม่ปลืม้มให้มีการอรอบพุ่งกันเพราะการอรอบรากฆ่าฟันกามีแต่ความสูญเสียตั้งชีวิตและเลือดเหนืออีกทั้งพระองเองนี่ก็ไม่ได้มีความปรารถนาอยากจะเป็นพระราชาเลยที่พระองทรงคิดเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะภายในใจลึกๆพระอง์ทรงมีความรู้สึกว่า พระองค์ทรงมีภารกิจอันยิ่งใหญ่บางอย่างรออยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งกว่าการครองราชสมบัติเป็นพระราชาแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร oh. ส่วนในเวลาที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ท่ามกลางเด็กๆซึ่งมีแต่ความใสซื่อบริสุทธินั้นและพระองค์ทรงมีสีหน้าที่ดูเบิกบานและมีความสุข มากกว่าตอนที่ไปดูการฝึกซ้อมของทหารนั้นตอนนี้ก็เป็นพระเวลาที่พระองค์ได้อยู่กับเด็กๆความมีชีวิตชีวาและความเป็นธรรมชาติของเด็กๆมาช่วยทําให้พระองค์พลอยมีความสุขไปด้วยทั้งอัจาริยะสายส่วนตัของพระองค์ก็เป็นคนรักเด็กอยู่แล้วพระองค์จึงทรงเป็นห่วงพวกเด็กๆแล้วก็ไม่อยากให้พวกเด็กๆ เ, เป็นคนไม่ดี ดังนั้นที่ติปลงเห็นพวกเด็กๆกำลังทะเลาะกันและเตรียมที่จะใช้ความรุนแรงต่อกันพวกงจึงต้องรีบเข้าไปห้ามนี่หนมื่อท์นมหาเสนาบดีได้รับทราบความจริงจากใจของพระราชโอรสแล้วท่านมหาเสนาบดีจริงรู้สึกตื่นตันใจลและก็ทรงเลื่อมใสในพระราชโอรสเป็นอย่างยิ่งว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระราชโอรส ไม่ได้เป็นคนที่ติดในยศถาบรณาศักหรือถือพระองค์ว่าสูงสักแต่อย่างใดเลยอีกทั้งพระองค์ยังทรงรักและมีความห่วงใยในประชาชนของพระองค์ด้วยดวงใจที่ใสสรระอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอีกด้วยหลังจากงานเทศกาลฉลองไปจํจำปีในเมืองท่านมห า, าเสนาบดีผ่านไปก็กับช่วงเวลาแห่งการปิดภาคเรียนได้หมดลงแล้ว มหาเสนาบดีจึงได้กลับไปศึกษารและออเรียนวิชาการทหารหลักสูตรภาพพิเศษต่อจนกทั้งตัวท่านได้ดสำเร็จการศึกษาวิชาทหารซึ่งหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีนี้สําเร็จการศึกษาแล้วจะ ก, กได้รับคำสั่งด่วนให้ไปประจำการอยู่ที่หน่วยทหารในห่วเมืองแองหนึ่งในทันที สวน่าทำไมท่านมหาเสนาบดีจะต้องไปไประจำการอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้นเน่ยแล้วทำไมส่วนกลางจะต้องเฉพาะจอดจอมก็ต้องเป็นท่านมหาเสนาบดีด้วยเรื่องนี้ต้องมีเหตุภายหลังจากท่านมหาเสนาบดีได้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้วแต่ก็ได้รับคำสั่งด่วนพิเศษให้ไปประจําการอยู่ในหน่วยทหารที่หัวเมืองแห่งหนึ่งในทิานดี ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระดับความรู้ความสามารถของท่านมหาเสนาบดีที่มีอย่างเต็มตัวนั้นตัวท่านจะต้องได้รับการบัรจุให้เป็นนายทหารราชองครักษ์กที่ประจำการอยู่ภายในเขตเมืองหลวงแต่ในความที่หัวเมืองนังกลาก่ากกาลังประสบปัญหาเรื่องมีกลุ่มโจรเนี่ยคอยดักปล้นผ ล, ผลผลิตทางกา ร, กรเกษตรของพวกชาวบ้านอยู่เป็นประจา อีกทั้งยังมีข่าวลือหนาหูไปถึงกองทัพว่าได้เกิดความขัดแย้งระหว่างพวกชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของทางการซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ตั้งรีบเคลียเพราะมีความเปราะบางเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือนี่นะจ๊ะโดยเหตุนี้เองในทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพจึงต้องคัดเลือกบุคคลที่มีสติปัญญาความสามารถ และมันสมองระดับซูปเปอร์หัวกะทิย่างท่านมหาเสนาบดีเนี่ยให้กขาไปช่วยคลี่คลายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหัวเมืองแห่งนั้นเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้รับคําสั่งโดยพิเศษจากครองทัพให้ไปประจําที่หัวเมืองแห่งนั้นแล้วเนี่ยท่านมหาเสนาบดีก็ไม่อรอช้าได้คุมกองกําลังทหารส่วนหนึ่งออกเดินทางไปยังหัวเมืองแห่งนั้นในทันที หลังจากที่ทมามหาเสนาบดีได้เดินทางไปถึงหัวเมืองแห่งนั้นแล้วท่านก็พบว่าสภาพบ้านเมืองและบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในเขตหัวเมืองแห่งนั้นนะก็มีชีวิตความเอยู่ที่แลดูเหมือนจะปกติสุขดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอย่างที่คิดเอาไว้พอท่านมหมาเสนาบดีเห็นเช่นนี้นะจ๊ะ ท่านจึงเริ่มต้นภารกิจแรกในการจัด ก, การเคลียร์ปัญหาเรื่องขโมยขโจรให้หมดสิ้นไปก่อนแต่เมื่อท่านหมหาเสนาบดีได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่จริงท่านกระพบกับบรรยากาศที่อึมครึมของพวกชาวบ้านเพราะไม่ว่าตัวท่านหรือพวกทหารเจ้าหน้าที่ของท่านจะทักทายพวกชาวบ้านในความเป็นกันเองอย่างไรเนี่ย พกชาว บ, บ้านกลับเมินเฉยโดยแสดงการเย็นชาและก็ไม่สนใจตัวท่านหรือตหาเจ้าหน้าที่ของทางการเลยไม่แต่น้อยและโดยอุปนิสัยแห่งการเป็นช่างช่างสังเกตระดับเมืออาชีพของท่านมหาเสนาบดีนี้เองจึงทำให้ท่านรู้ได้ในทันทีว่า น่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชัดไหมชัดซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็ไม่ได้ปล่อยผ่านรีบทําการตามล่าหาความจริงในทันทีเพื่อต้องการจะรู้ให้ได้ว่า what happened แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกชาวบ้านเหล่านี้สำหรับกลยุทธ์ตามล่าหาความจริงท่านมหาเสนาบดีนั้น ท่านมหาเสนาบดีใช้วิธีการทำตัวเข้าไปกลมกลืนกับพวกชาวบ้านซึ่งในตอนแรกนั้นพวกชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยการยอมรับและแสดงกริยาอาการเหมือนไม่ค่อยอยากจะครบด้วยสักเท่าไหร่แล้วทำไงล่ะจ๊ะ อ, อ, อารมณ์ร่วม แต่ด้วยบุคลิกลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านมหาเสนาบดีที่มีทยาศัยเป็นกันเองและมีช่วงท่านักเลงที่ดูจริงใจเออชัดไหมนี่เนอตอนแรกก็พูดเพราะดีนะนี่นะ <c oughs> ตอนท้ายตัว่าโสูอย่างนั้นอย่างงี้เนอ <c oughs> ขอบกับการพูดการจางทันทีตรงไปตรงมาฉ <laughs> ะชานชัดเป๊ะ uh. ชัดไหม uh. เสียงดังฟั ง, uh. <laughs> ฟงชัดทุกถ้อยคำ oh. ด้วยอัธยาสายอ ด, ดเด่นเหล่านี้นี่เองเนี่ยจึงทาให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถที่จะโูกใจพวกชาวบ้านได้ทีละคนสองคนเออนี่นะออ oh. ย่างท่านนอยู่ในคลวงนั่นเนาะกิงขาจะใคร้ไปมากูดเลยแล้วในที่สุดธรรมหาเสนาบดีก็ได้รับการยอมรับได้รับความไว้วางใจจากพวกชาวบ้านเนี <laughs> ่ย <laughs> ตอนสร้างวัดใหม่เนาะขับไปขึ้นทุกบ้าน <laughs> ไปบีไปนวด คนคุณเคยกันดีนะแล้วท่านก็นชมนะหลังมึงแข็งยังล่ะยังหลังคาร า, าวาเข้าใจชมเนาะเมื่อท่านมหาเสนาบดีสามารถผูกใจพวกชาวบ้านได้แล้วก็ทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงจากพวกชาวบ้านว่าโพสตทหารที่อยู่มาก่อนหน้านี้เนี่ย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดีความไม่ซื่อกับพวกชาวบ้านานี่เนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พวกชาวบ้านเพาะปลูกจนได้ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวธั ญ, ญพืชผักและผลไม้ต่างๆพวกชจวบ้านก็จะนำเอาผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นไปขายในท้องตลาดาเรื่องข่การนาไปขายกับพวกพ่อค้าที่มารับซื้อสินค้าถึงที่บ้าน ในระหว่างทางที่พวกชาวบ้านและพวกปลอกขากำลังขนสินค้าไปขายอย่างตลาดนั้นก mm hmm. ็จะมีพวกโจรมาดักปล้นสินค้าเหล่านั้นไป mm hmm. หรือบางครั้ง mm hmm. พวกโจรก็จะมาบุกเข้ามาเผาพืชพันธุ์ใาหารต่างๆของพู้ชาวบ้านแต่งยุ่งชฉางที่อยู่ภายในบ้านเลยทีเดียว oh. พมื่อผู้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความ แอยพวกทหารวิเชต ป, ปราปลาจรเหล่านั้นพทหารก็แซงทําทีเข้าไปตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่จับโน่นจั บ, น, จบนี่พอเป็นวิธีแต่ผลสุดท้ายทหารก็ไม่สามารถจับกลุ่มจรได้เลยแม้แต่สักครั้งเดียวอีกทั้งยังมีข่าวลือแพร่สะพัดในกลุ่มของพวกชาวบ้านอีกด้วยว่าพวกจนที่เอามาปล้นยิงค้าพวกชาวบ้านที่แท้แล้วก็คือ ทหารที่ปลอมตัวมาเป็นจรนั่นเอ ง, งซึ่งสาเหตุของข่าวรือที่ว่า น, นี้เกิดจากมีพวกชาวบ้านบางคนจำบุคลิกลักษณะท่าทางและน้ำเสียงพวกจร์นยำแรงหรือทหารที่ปลอมตัวเป็นจรนได้อย่างชัดเจนแต่เองจึงทําให้พวกชาวบ้านไม่ไว้ใจพวกทหารและเจ้าหน้าที่ของทางการอย่างแร ง, งอือง เ, เพราะว่าชาวบ้านเจ็บกระรองใจนี่นะ ซึ่งความเดือดอร้รอนพวกชาว บ, บ้านกับชาวั้าจะหมดลงจะเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อผลผลิตทางการกเกษตรของพวกชาว บ, บ้านถูกปล้นและถูกเผาจะได้รับความเสียหายพวกชาว บ, บ้านก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากพวกเศรษฐีซึ่งเศรษฐีบางคนก็เอารัดเอาเปรียบพวกชาวบ้านในการปล่อยเงินกู้ดอกโหดไม่มีอะไรใหม่เลยนะในสังสารวัตรนะ แล้วก็กดอ ร, ราคาอย่งางง่ายผู้ชาวบ้านแบบสุดๆจะทําให้ผู้ชาวบ้านทุนหายกําไรหดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากดอกเบี้ยพราถือสถานการณ์มีบังคับมากข้าวมากข้าวผู้ชาวบ้านจึงจำใจจะต้องขายพื้นที่ทำเก่งตัวเองเพื่อนาเงินไปใช้หนี้มาขายที่ดินทำเกแล้วแต่และคนต่างก็ต้องค้นข้าวขนของย้ายออกจากพื้นที่ของตัวเองไป ด้เหตุนี้เองจึงทำให้พวกชาวบ้านเป็นจำนวนมากต่านได้รับความเดือดร้อนกันไปตามๆกันเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ทราบข้อมูลจากพวกชาวบ้านแล้วท่านก็รีบกรับมาสืบหาความจริงจากหน่วยงานของท่านโดยมีเพื่อนนายทหารร่นเดียวกันกับท่านมาช่วยกันสืบหาข้อมูลอีกทางหนึ่ง หลัจากที่ท่านมหาเสนาบดีและเพื่อนของท่านได้เชิญกันสืบหาข้อมูลแล้วท่านก็ได้พบหลักฐานสาคัญที่บ่งชี้ให้เห็นหนึ่งคําบอกเล่าของพวกชาวบ้านว่าที่ผ่านมาได้มีการติดสินบนว่าจ้างกันในกองทางหารซึ่งผู้ที่ให้สินบนก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือกลุ่มของพวกเศรษฐีนั่นเองไม่มีอะไรใหม่เลยเนาะ ส่วนสาเหตที่ทำให้กลุ่มพวกเศรษฐีต้องทำเช่นนี้แต่นี่ก็เป็นเพราะกลุ่มพวกเศรษฐีมีความโลภคิดอยากจะได้พื้นที่ทากินของพวกชาวบ้านมาเป็นของตัวเอง่อเป็นเช่นนี้กลุ่มพวกเศรษฐีจึงได้รวมหัวกันจ่ายสินบนกับพวกนายทหารที่ชอบทำทุจริตให้ทำตัวเป็นนายหน้าว่าจ้างพวกทหารที่มีเชื้อผานให้หาลาไส้พิเศษ หรอรายได้พิเศษจายการปลอมตัวเป็นโจรออกปล้นพวกชาวบ้าน oh. ไม่เนาะว่าพวกชาวบ้านถูกปล้นจนได้รับความเดือดร้อนแล้วพวกชาวบ้านก็จะต้องพากันมากู้เงินจากกลุ่มของพวกเศรษฐี oh. ซึ่งกลุ่มพวกเศรษฐีก็จะปล่อยเงินกู้ดอกโหดแล้วก็กราคาสินค้าแบบสุดๆจนทําให้พวกชาวบ้านไม่มีเงินที่จะมาจ่ายคืนให้กับกลุ่มของพวกเศรษฐี โมเหตการเป็นเช่นนี้กลุ่มพวกเสด็จเก็สามารถที่จะยึดพื้นที่ทํำกิจของพวกชาวบ้านมาเป็นของตัวเองได้ในที่สุดหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีและเพื่อนของท่านได้พบหลักฐานการทุจริตคอร์รัปชันในกองทหารแล้วแต่และเพื่อนท่านก็ได้เจอกันวางสายสื่อเข้าไปในกลุ่มของพวกพลาหารทําไมเก่งๆเนี่ย เสกธรรมท่านสามารถสาวไปจนรู้ว่าใครบ้างที่อยู่ในกระบวนการนี้หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ทราบรายชื่อพวกในทหารที่เป็นสมาชิกในกลุ่มกระบวนการทุจริตคอรัปชันแล้วท่านก็ได้จัดการส่งรายชื่อพวกในทหารเหล่านั้นไปให้กับทางสารทหาร <No. S 1> เพื่อจะสินความผิดให้กับพวกในทหารเหล่านั้นในทันที แต่เนื่องจากในขณะนั้นหลักฐานที่จะสาป ถ, ถึงตัวการใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำทุจฎีคอร์รัปชันยังไม่ชัดเจนจึงทำให้แม้ท่านมหาเสนาบดีพอจะทราบหรือพอมองออกว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ก็ตามแต่ตัวท่านก็นยังไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ แต่ยังกระไรกระตาด้วยอัธยาศัยที่เป็นคนจริงของท่า น, นนี่เองจึงทำให้ท่านมหาเสนาบดียังคงทำการสืบค้นและตามล่าหาความจริงอย่างไม่ลดละพร้อมกับเก็บรวบรวมหลักฐานต่อไปอีกก็เรื่อยๆ oh. นี่เนาะภายหลังจากที่พวกทหารที่อยู่ในกลมขบวนการทุจริตคอรับชั่นที่ถูกนำตัวไปลงโทษตามความผิดก็เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์โดยรวมภายในหัวเมืองแห่งนั้นก็ค่อยๆมีสภาพที่ดีขึ้นและถึงแม้ว่าภารกิจการจับโจองท่านมหาเสนาบดีจะจบสิ้นลงแล้วก็ตามแต่ตัวท่านมหาเสนาบดีเองก็ยังคงทําหน้าที่นํากองกําลังทหารท่านออกไปทํามวลชนและช่วยเหลือผู้ชาวบ้านอย่างเต็มที่เต็มกําลังแบบสม่ําเสมออย่างเช่นเคย จนพวกชาวบ้านภายในหัวมือแห่งนั้นเริ่มเปิดใจและยอมรับในคุณงามความดีของผู้ทหารมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรียกได้ว่าท่านมาเสนาบดีได้ได้ใจพวกชาวบ้านไปเต็มๆเลยว่าบรรยากาศภายในหัวมือแห่งนั้นก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วท่านมาเสนาบดีก็ได้หันกลับมาจัดระเบียบกองทัพที่ประจำอยู่ในหวเมืองแห่งนั้นใหม่ เจ้าทหารทุกคนที่ประจาอยู่ในหัวเมืองแห่งนั้นกลับคืนสู่ความมีออระเบียบวินัยดังเดิมทำไมเก่งๆเนอะและในเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นภายในหัวเมืองแห่งนั้นรัฐีมีพวกชาวบ้านพากันมาก่อม็อบรังเรียนเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินที่ทางการจัดสรรให้อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งทางท่านจำเมืองก็ออกมาเจรจากับพู้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเหล่านั้นแต่ไม่ว่าท่านจำเมืองจะเจรจากับพู้ชาวบ้านอย่างไรการเจรจานั้นก็ไม่เป็นผลใดๆทั้งสิ้นเมื oh. ่อท่านมหาเสนาบดีได้ทราบข่าวว่าการเจรจาไม่เป็นผลแล้วท่านก็ไม่ราชา้รีบไปเกาะติดสถานการณ์ในทันที ได้่านมหาเสนาบดีได้ไปสอบถามข้อมูลกับพวกชาวบ้านที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนะจ้าเสร็การสอบถามข้อมูลในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ท่านมหาเสนาบดีได้ทราบถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงของการก่อม็อบของพวกชาวบ้านว่าพวกชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ไปซื้อที่ดินที่ทางการเปิดให้จับจองเพื่อทํามาหากินแต่พอทางการได้งเงินของพวกชาวบ้านไปแล้ว กลับไม่แบ่งที่ดินให้ตามที่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านไว้เช oh. ่นตกลงกันไว้ว่าจะต้องได้ที่ดินจํานวนยี่ิบไร่ mm hmm. แต่่อถึงเวลาที่ทางราชการจ่ายมอบที่ดินให้จริงๆกลับเหลือเพียงแค่สิไร่เท่านั้น oh. ซึ่งก็เป็นผลทำให้พวกชาวบ้านเหล่านั้นเกิดความทุกข์ใจและก็ไม่พอใจเป็นอย่างมาก mm hmm. และที่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีพวกชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง ออกมาคมขูดพวกชาว บ, บ้านที่เสียผลประโยชน์ว่าให้เก็บเงียบไว้ห้ามโพดและห้ามเรียกร้องอะไรกระทำการทั้งสิ้นทาไมทำตามที่พวกตนได้บอกไว้รับรองว่าพวกชาว บ, บ้านจะต้องได้รับความเดืดอดร้อนยิ่งไปกว่านี้มากขึ้นไปอีก oh. ซึ่งกมีพวกชาว บ, บ้านที่เสียผลประโยชน์ mm hmm. บางคนไม่เชื่อ mm hmm. ก็ออกมาโวยวายเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของพวกตน แต่แล้ในี่สุดพวกชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์เหล่านั้นก็ถูกพวกชาวบ้านที่มาค่มขูกลุ่มนั้นริ่มทําร้ายร่างกายจนบาดเจ็บฟางตายอีกทั้งยังมีข่าวลือก็มายังหนาหูไปถึงพวกชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์ว่าพวกชาวบ้านกลุ่มที่มาค่มคูนั้นได้หัวกับทางการเพื่อจะได้ซื้อที่ดินในาราคาที่ถูกกว่าท่านั้นยังไม่พอพวกชาวบ้านกลุ่มที่มาค่มคูนั้น ยังได้ที่ดินทำเลดีๆไปก่อนพวกชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์อีกด้วยแถมพวกชาวบ้านที่ได้ที่ดินทำเลดีๆไปก่อนบางคนย่งเป็นคนแปลกหน้าซึ่งไม่รู้ว่ามาจากเมืองไหนแต่ทำไมทำไมกลับถึงได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนในเมืองนิสสีอีกหลังจากนั้นความขัดแย้งดังกล่าวนี้ย่างเกี่ยวพันยงยาพิเศษเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกด้วยแม้กระทั่งชันจะเมืองเองก็ยังถูกตั้งข้อสงสัย ว่ามีเอี่ยนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่เหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่เองจึงทำให้พวกชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์และถูกกรังกยิ่งทวีความโกรธแค้นมันจาเจ้าดิเถียงทางการที่ประจำอยู่ในหัวเมืองแห่งนี้มากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นเช่นนี้ก็เลยทำให้มีขรานการระดับสูงอีกท่านหนึ่งจะถวายดีกาไปยังพระราชา ให้สองพระเมตตาไมาใชตัดสินก็ดีความในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องความขัดแย้งของผู้ชาวบ้านกับทางการซึ่งอาจจะมีขร้การระดับสูงในพื้นที่บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องดังกล่าวนี้แล้วก็ทรงรู้สึ ก, กร่อมพระทยเป็นยิ่งนะัก พระองค์ทรงเกรงว่าทำไมรีบจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยโดยเร็วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นภายในพื้นที่เขตหัวเมืองสําคัญแห่งนั้นได้ที่พระราชา ท, าทรงมีความรู้สึกเช่นนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะหัวเมืองสําคัญแห่งนั้นเป็นเขตหัวเมืองชายแดนที่มีพื้นที่ อ, อยต่อจติกแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ หรือแคว้นของพระราชาบิดาของพระราชาองค์ที่เกกะเกเลนั่นเองอทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือก็ไม่สู้จะดีเท่าไหร่นักพระติพานมากักมีการกระทบกระทั่งกันตามแนวตะเข็บชายแดนอยู่เรื่อยๆดังนั้นเหตุการณ์ความไม่ส ง, งบที่เกิดขึ้นในเขตหัวเมืองชายแดนแห่งนี้ ยังเถอเป็นจุดเปราะบางและอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแคว้นในอนาคตด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีก็ติดสถานการณ์และพยายามคลี่คลายปัญหาในครั้งนี้อย่างกละชิดจดกยการส่งคนของท่านกับไปซื้อผ้าขาวภายในพื้นที่อยู่เสมอเสมอว้าว <Wow. S 1> wow. นี่เนาะแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมาก็มีเอกสาร เรียกตัวจากส่วนกลางไปถึงท่านมหาเสนาบดีให้ท่านรีบเดินทางกลับไปที่เมืองหลวงโดยด่วนซึ่งสาเหตุที่ท่านมหาเสนาบดีถูกเรียกตัวกลับในครั้งนี้ท่านนี้ก็เป็นเพราะพระพราชาได้ทรงรับสั่งให้พระราชาโอรสหรือพระราชาองเ์ที่ออกบวชเป็นตัวแทนพระองในการเสด็จเดินทางไปที่เขตหัวเมืองชายแดนแห่งนั้น เพื่อตัดสินคดีความสําคัญในครั้งนี้และด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีถูกเรียกตัวกลับมา mm hmm. เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการสอบสวนคดีความาร่วมกับพระราชโอรสอีกทั้งยังต้องเป็นผู้คุ้มครองและคุ้มกันพระราชโอรสในการเสด็จเดินทางไปยังหูเมืองแห่งความขัดแย้งแห่งนั้นหรือเขตหูเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกัรจนฝรั่งเศเหนืออีกด้วย เพราะฉะนั้นนี่ท่านมหาเสนาบดีก็เลยเป็นองค์รักษพิทักษพระราชนี่นบพิเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้เดินทางกลับไปถึงเมืองหลวงเป็ที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ข้าไปพบกับคณะของเสนาบดีและนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนรวมถึงองค์ที่สำคัญขันสมุติเทพซึ่งก็คือพระราชโรสนั่นเองนี่นะจ้า เสนเซนเอที่ทำท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ถูกครับเลือกให้มาเป็นผู้ประสานงานในการสอบสวนคดีความร่วมกับพระราชโอรสท่นนี้ก็เป็นพระทางส่วนกลางรู้สึกไม่ไว้วางใจใครการชั้นผู้ใหญ่และนายทหาระระดับสูงของหัวเมืองเขตชายแดนแห่งนั้นเพราะพวกเขามีท่าทีที่ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในคดีความครั้งนี้ด้วย แต่นั้นทางส่วนกลางจึงได้แต่งตั้งและมอบหมายท่านมหาเสนาบดีรับหน้าที่ที่สำคัญในครังนี้อีกทั้งอยางให้ท่านมหาเสนาบดีมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการดำเนินการคลี่คลายคดีความนี้อีกด้วยนี่นะจ๊ะและเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้พบกับพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่ออกบทอีกครั้งนี่นจะ ท่านมหาเสนาบดีก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากส่วนพระราชโอรสก็ทรงรู้สึกดีประทายเช่นกันที่จะได้ทํางาน เ, าเร็วกว่าคนที่คุ้นเคยซึ่งแตเคยเห็นสีไม้หลายมือกันไปแล้วและด้วยใจที่ใหญ่จะช่วยเหลือพวกชาวบ้านที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่นี้เองหลังจากที่พระราชโอรรถและมหาเสนาบดี ได้รับมอภารกิจที่สำคัญนี้แล้วพระเอกรถและมหาเสนาวดีพร้อมด้วยขราชบริพารจึงได้สเสด็จออกเดินทางไปที่เขตหัวเมืองชายแดนที่กำลังมีปัญหาในทันทีส่วนราเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรพระราชโองรและมหาเสนาจะใช้วิธีการใดที่จะจัดการปมปัญหาเรื่องนี้ mm hmm. นนก็ตั้งติดตามกันถูมโลน นี่